องิงค่ะดังข้าพเจ้าตักเตือนอรัถนาพระผู้เป็นเจ้าชักเอาเหตุมาอุปมาให้โยมเข้าใจพระนาคเสด็จถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐโอทหิโสตังบพิษเจ้าจงตั้งพระโสดศัดับสักกัจจังโดยสัตย์เคารพในคำที่อัตมาวิสัชนาวักขามิตังการนัง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 อาศัยธรรมแล้วเกิดบุคคลไม่พึงรู้ได้ด้วยจกักษุโสตคานะชิวหากายะดังนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็กล่าวอ้างว่าพระนิพพานไม่มีนะสิใช่ไหมเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระน่คเกษรจิงถวายพระพรว่ามหาราชคขอถวายพระพรบวชิษพระราชาสมภารันพระนิพพานนี้มีแท้มโนวินเยยยัง